ปาราชิกศิขาบทที่สองว่าด้วยการปกปิดโพษเรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา664สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเข่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีสุนทรีนันธามีคันกับนายสารหห์หลานของนามวิสาขานิคารามาตา แต่ ป, ปิดเรื่องไว้ในขณะที่คันยัง ค, ล ค, ล ค, ลคล่อนขอนเมื่อคันแก่จึงสึกไปทอดบุตรภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวกับภิกษุณีทุลนันทาดังนี้ว่าแม่เจ้าสุนทีนันทาศึกไปแม่นานก็ทอดบุตรเธอคงจะมีคันขนาดเป็นภิกษุณีประมาณภิกษุณีทุลนันทาจึงยอมรับภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่าแม่เจ้าเธอรู้ว่าภิกษุณีต้องอาบัติปารชิก ให้บอกแก่คณะเล่าภิกษุณีทุลนันธาตอบว่าแม่เจ้าความเสียหายของภิกษุณีสุนทรีนันธานี้ก็คือความเสียหายของดิฉันนั่นแหละความเสื่อมเกียรติของภิกษุณีสุนทนนนนนรีนันธา น, นี้ก็คือความเสื่อมเกียรติของดิฉันนั่นแหละความอัปยศของภิกษุณีสุนทรีนันธานี้ก็คือความอัปยศของ ความเสื่อม้าของดิฉั น, นั่นแหละดิฉันจะบอกความเสียหายของตนความเสื่อมเกียรของตนความอบบยศของตนความเสื่อมลาของต น, ง น, งตนแก่คนอื่ได้อย่างไรบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโผลนนาว่าฉนัยแม่เจ้าทุลนันทารู้อยู่จึงไม่ทักทวงภิกษุณีผู้ต้องทําคือปาราชิกเกยตนเองไม่บอกแก่คณะเล่าท่านแล้วภิกษุณีเหล่านั้น นำเรื่องนี้ไปบอกพิกูจทั้งหลายให้ทราบพวกพิสูจนได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลถ้าผู้มีพระท่าให้ทรงทราบ